เมื่อท่านปรารถนาสิ่งใดก็จงสำเร็จโดยฉับพลันคือเมื่อใจของเรามีอำนาจกล้าแข็งแล้วจะคิดนึกสิ่งใดก็ย่อมสำเร็จหมดเกผู้ที่ปล่อยให้ตัวกุศลเดิมของตนดับหรือตายไปจากใจแล้วมาทำทานศีลภาวนาใหม่ผลที่คิดครั้งแรกย่อมไม่สำเร็จแต่ก็ดีกว่าคนที่ไม่ทำเลยตัวกุศลเดิมของเรานั้น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 ธรรมัโรวัดอโศการาม4 ส, สิงหาคม2500 ร, มรื่องธรรมัทสวรนะใหม่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 ก็อาจสาเร็จเป็นพระอริยะเจ้าได้4การฟังธรรมนั้นอย่างต่าที่สุดคนที่ไม่รู้อะไรเลยแต่ตั้งใจฟังให้จริงๆทําทำจิตของตนให้แน่วแน่ก็อาจสาเร็จประโยชน์ในธรรมนั้นๆได้อีกอย่างหนึ่งขณะที่ฟังได้น้อมเอาธรรมะนั้นๆเข้ามาไว้ในใจก็อาจจะละชั่วได้ในทันที